ดวงสุดาคลานตุ้มตะตุ้มตุย้ยเข้ามาหาท่านพระครูตามด้วยเท่าแก่เสงและคุณกิมง้อผู้เป็นบิดาและมารดาคนทั้งสามก้มลงกราบท่านสามครั้งแล้วหันไปกราบพระบวเหียวซึ่งนั่งพับเพียบอยู่บนพื้นทางเบื้องขวาของพระอุปัชฌาย์ผมเห็นจะต้องกลับกุฏิแล้วครับเพราะหลวงพอมีแขก พระหนุ่มออกตัวใจนั้นอยากอยู่ฟังเขาคุยกันหาก็เกรงจะเสียมารยาทอยู่ก่อนก็ได้นี่นะจะรีบไปไหนเหล่าเจ้าของกุฏิพูดอย่างรู้ใจหันไปถามอาคันตุกะว่าคงไม่ใช่เรื่องลับใช่ไหมพระบัวเหี่ยวคงร่วมฟังได้นะ ไม่รับค่ะหลวงพ่อหนูอยากให้คนมาฟังเยอะๆด้วยซ้ําจะได้ช่วยกันเป็นพยานคุณนายดวงสุดาตอบงั้นหรืแล้วจะให้เกณฑ์คนมาหมดวัดเลยไหมคุณนายจะเอาอย่างนั้นไหมท่านถามยิ้มยิ้มไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ค่ะหลวงพ่อประเดี๋ยวหนูเขินก็เลยเล่าไม่ออกกันพอดี คนน้ำหนักเกินที่กัดตอบอ๋อถ้าอย่างนั้นก็เล่าได้เลยรู้สึกพระโบเหี่ยวจะอยากฟังจนเนื้อเต้นแล้วกระมังท่านยาวลูกศิษย์ลุงพ่อนั่นแหละเนื้อเต้นอย่ามาทําโทษ้มหน่อยเลยนะ่ะสิทธิ์แอบเถียงในใจเดี๋ยวเล่าดีกว่านาะคนจะเล่าเปลี่ยนใจกระทันหัน จึงโยนกล่องไปที่บิดาลือนั่นแหละดีแล้วก่อนลือเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ใช่หรือเท่าแก่เสียงให้เหตุผลตั้งแต่ปฏิบัติกรรมฐานเขาพูดไทยชัดขึ้นเพราะสติบอกว่าเมื่อเป็นคนไทยก็ต้องพูดไทยชัดจะได้ไม่อายคุณกิมง้อนั่นสิแม่ก็เห็นด้วยกับเตียยลูกเหล่านั่นแหละดีแล้ว มัณดาเสริมแม่แล้วก็เข้าข้างตีอยู่เรื่อยลูกสาวตัดพอเรื่องที่จะเล่านี่ยาวไหมถ้าเป็นเรื่องยาวอาตมาขอแนะนำว่าน่าจะเริ่มได้แล้วจะได้ไม่ต้องรอไปฟังต่อในวันพรุ่งนี้อาตมาเป็นคนใจร้อนหน่อโยมพระโบเหี่ยพูดขึ้นท่านคิดอยู่นานว่าจะพูดดีหรือไม่แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจได้ แม่หลวงพี่พูดอย่างนี้ดิฉันเห็นจะต้องเล่าแล้วล่ะคะ่ะคุณนายดวงสุดาพูดกับพระโบเหียวเรียกท่านว่าหลวงพี่อย่างไม่เต็มใจนะักไม่เต็มใจด้วยเหตุผลว่าท่านอายุอ่อนกว่าที่ถูกน่าจะเป็นหลวงน้องหล่อนไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาจึงไม่เรียกพระที่อายุอ่อนกว่าว่าหลวงน้อง คงไม่ต้องออกแขกแบบลิเกนะท่านพระครูยาวบ้างไม่ต้องค่ะเตี่ยเล่าดีกว่านะ่อลอนหันไปเกี่ยงงอนบิดาอีกครั้งหรือนั่นแหละอย่ามวัวทำอิดอ ด, อดอดๆหน่ารำคาญเกรงใจหลวงพ่อท่านเวลาของท่านเป็นเงินเป็นทองนะเท่าแก่เสงดูลูกสาวการปฏิบัติกรรมฐานทำให้เกิดปัญญา เมื่อปัญญาเกิดเขาจึงรู้ว่าคนเป็นพ่อไม่ควรกลัวลูกจึงกล้าดุหล่อนแทนที่จะเป็นฝ่ายถูกหล่อนดุเช่นแต่ก่อนเมื่อถูกดุคนเป็นลูกชักกลัวจึงเริ่มต้นเล่าเรื่องมันแปลกมากค่ะหลวงพ่อบอกใครๆก็คงไม่มีใครเชื่อว่าเด็กกับแม่ถูกโจยยิงด้วยปืนเอ็มสิบแต่ไม่ยกกัเป็นอะไรหนูเห็นกับตาเลยค่ะ คนเห็นเหตุการณ์เล่าชดชดตอนที่ถูกยิงโยมกำลังทำอะไรอยู่หรือท่านถามบุคคลทั้งสองกำลังนั่งสมาธิครับผมกับคุณกิมงอสัญญากันว่าจะเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงตอนโจนยิงมันยังไม่ครบชั่วโมงผมก็เลยยังไม่ลุกขึ้นแล้วก็ไม่ลืมตาด้วยเท่าแกเสียงเล่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อสามเดือนที่แล้วทว่าในความรู้สึกของเขาดูเหมือนมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองแล้วรู้ตัวหรือเปล่าว่าโจรมาท่านพระครูซักรู้ครับหลวงพ่อผมรู้ตัวตลอดเวลาคุณกิมงาะกอโรุแล้วกลัวมไหมกลัวตายหรือเปล่าไม่กลัวคะ่ะ ตอนอยู่ในสมาธิไม่กลัวแต่ตอนนี้กลัวค่ะคุณกิมง้อตอบด้วยท่าทีที่ยังไม่หายหวาดเสียวแล้วคุณนายอยู่ที่ไหนละ่ะตอนนั้นตอนที่โจรมาปล้นนะท่านพระครูถามคุณนายดวงสุดาหนูหรือคะอารมณ์ตกใจมุดเข้าไปแอบใต้ตังเลยคะ่ะไม่ทราบว่าเข้าไปได้ยังไงตัวหนูออกใหญ่ตังก็เตี้ยนิดเดียว ถ้าเวลาปกติอย่าว่าแต่จะเข้าไปได้ทั้งตัวอย่างนั้นเลยแค่ขาข้างเดียวก็ยังเข้าไม่ได้คุณนายดวงสุดาเล่าพระบูเหียวพิจารณาขาของคุณนายซึ่งมีขนาดไล่เลี่ยกกับต่อหม้อยุ้งแล้วก็ให้เห็นด้วยกับที่หล่อนพูดหากก็อดถามขึ้นไม่ได้ว่าตัางพี่ยมหวานน่ะสูงขนาดไหนเท่าอาสนะหลวงพ่อหรือเปล่า คนถูกถามมองไปที่อาสนะตรงหน้าแล้วตอบคงจะพอๆกันถ้าสูงกว่าก็คงไม่เกินสองนิ้วไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าคนเจ้าเนื้ออย่างดิฉันจะเข้าไปซ่อนใต้ตังนั้นได้หลวงพี่ชื่อหรือเปล่าลันถามหลวงพี่ถ้าจะให้อาัตา ม, มาเชื่อก็ต้องลองเข้าไปอีกทีคุณนายจะยอมลองดูไหมละ่ะ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 เว้นแต่ยามตกใจอาจเอามาใช้ได้บ้างโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เป็นการใช้พลังจิตโดยไม่มีสติควบคุมก็ได้แค่ประเดียวประดาวพอรู้สึกตัวก็เอามาใช้ไม่ได้เส้นแล้วท่านพระครูอธิบายแล้วแบบนี้ดีไมครับหลวงพอ่อพระโบฮิเยวถามแบบไหนละ่ะ พระอุปชาไม่เข้าใจคำถามคือพลังจิตนะครับเป็นของดีหรือไม่ดีมันก็ตอบยากนะจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนดาบสองคมถ้าใช้ดีก็ดีไปแต่ถ้าใช้ไม่ดีก็ให้โทษได้เหมือนกันท่านรู้ว่าคนฟังยังไม่มีใครเข้าใจจึงอธิบายเพิ่มเติมว่า ตัวอย่างเช่นคนที่นำพลังจิตไปใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายคือมรรคผลนิพพานก็ถือว่าเป็นสิ่งดีแต่ถ้านำไปใช้ในทางที่ผิดเช่นอยากจะอวดริษหรืออวดอุตริมนุษย์สัยธรรมก็ถือเป็นสิ่งไม่ดี เพราะเป็นไปเพื่อเพิ่มกิเลสไม่เป็นไปเพื่อละกิเลสสรุปก็คือที่หนูเข้าไปแอบอยู่ใต้ต่างได้ก็เพราะอํานาจของพลังจิตใช่ไหมค่าหลวงพ่อคุณนายดวงสุดาถามถูกแล้วคุณนายแม้คุณนายจะไม่เคยฝึกจิตแต่ก็สามารถใช้พลังจิตได้เป็นการใช้แบบไม่รู้ตัว ควบคุมไม่ได้ถ้าอยากใช้แบบคุมได้ก็ต้องมาฝึกจิตกันให้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่โยมเตียกับโยมแม่ของคุณนายฝึกอยู่นี่แหละถ้าอย่างนั้นที่จนมันใช้เอ็มยิงผมแต่ยิงไม่ออกก็เป็นเพราะอำนาจของพลังจิตใช่ไหมครับหลวงพ่อเท่าแก่เสงถาม การปฏิบัติกรรมฐานทุกวันทำให้เขาเข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งขึ้นจะพูดอย่างนั้นมันก็ถูกเหมือนกันแต่อาตมาคิดว่าการที่ปืนยิงไม่ออกนั้นเป็นเพราะอานิสง์ของการมีสัจจะของโยมสองคนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเป็นอำนาจของสมาธิ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 วันนั้นหนูนั่งแท็กซี่มาหาเตี่ยกับแม่ที่บ้านก็ขึ้นไปชั้นบนเห็นกำลังนั่งสมาธิกันอยู่หนูเลยเดินไปที่โต๊ะอาหารหยิบน่องไก่ทอดมากินพอดีได้ยินเสียงเอะอะอยู่ข้างล่างจึงชะโงกลงไปดูตรงบันไดก็เห็นคนร้ายสี่หรือห้าคนกำลังช่วยกันจับคนใช้สองคนมัดมือมัดปากหนูตกใจวิ่ง ม, มาหาเตียกับแม่บอกโจรปล้นโจรปล้น เขาก็ไม่ยอมลืมตาสิ่งพวกมันเดินขึ้นมาหนูเลยวิ่งไปที่ห้องน้ำตั้งใจจะไปซ่อนตัวในนั้นเสร็จแล้วก็เกิดเปลี่ยนใจกระทันหันคลานลุกลี้ลุกลนเข้าไปใต้ต่างแทนขอประทานโทษนะค้าหลวงพ่อน้องไก่ทั้งน้องก็ยังอยู่ในป่ากต้องถือว่าโชคดีเชียวค่ะเพราะมันทำให้หนูร้องไม่ออกคืนไม่มีน้องไก่คงร้องให้คนช่วยแล้วก็ถูกโจยิงตายไปแล้ว พอมันขึ้นมามันก็เดินไปที่เตี๋ยก่อนขย่าวตัวเตีย๋ยและบอกตะแปะตื่นตื่นนี่คือการปล้นเตี๋ยก็ไม่ยอมลืมตามันก็หันไปขย่าวแม่บอกซิมตื่นตื่นนี่อ้วสมาปล้นแม่ก็นั่งเฉยอีกคนเสียงพวกมันบอกยิงเลยเฮียยิงเลยเฮียหนูจะเป็นลมเสียให้ได้ครั้นจะร้องบอกเตียยกับแม่ก็ร้องไม่ออกเพราะน้องไก่คาปากอยู่ มันเอาปืนจอดที่ศีรษะเตียแล้วลั่นไกลเสียงดังแชะแชะแต่ไม่มีกระสุนพุ่งออกมามันก็หันไปยิงแม่บ้างก็เป็นแบบเดียวกันอีกในที่สุดพวกมันเลยช่วยกันเก็บข้าวของมีทีวีวิทยุสเตอริโอและพวกเครื่องไลยครามเอาไปข้างล่างคงจะไปใส่รถหนูจับตาดูมันอยู่เก็บของเสร็จพวกมันก็พากันลงไป หนูหายตกใจก็เอามือจับน้องไก่ออกจากปากแต่ไม่สามารถคลานออกมาจากใต้ตังได้ก็นอนอึดอัดอยู่อย่างนั้นสักยี่สิบนาทีเห็นจะได้แล้วก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมาพอหนูเห็นเป็นตำรวจหนูดีใจมากเลยตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเขาก็มองหาที่มาของเสียงหนูบอกอยู่ใต้ตังอยู่ใต้ตังตำรวจสองคน ก็มาช่วยกันยกตังแต่ยกไม่ไหวต้องใช้ถึงสี่คนหนูก็ออกมาได้ผู้ร้ายห้าคนถูกใส่กุญแจมือเรียบร้อยคนเล่าหยุดหายใจแรงๆสองสามครั้งราวกับว่าตอนที่เล่านั้นลืมหายใจท่านพระครูจึงถามบิดาของหล่อนว่าตอนตำรวจมาโยมรู้หรือเปล่า รู้กลับลงพอ่อผมรู้อยู่ตลอดเวลาตำรวจเข้ามาขย่าวตัวผมบอกเท่าแกตื่นเถอะคุณถูกปล้นรู้ไหมผมตอบว่ารู้รู้เขาก็ว่ารู้แล้วก็ลืมตาเสียทีผมบอกว่ายังไม่ถึงเวลายังลืมไม่ได้จากนั้นผมก็ไม่พูดอะไรอีกค่ะแต่หลกหน้าดูเลยพอเตียนั่งนิ่งทั้งตำรวจและคนร้ายก็เลยต้องนั่งรอ ครูใหญ่ๆสิงนาฬิกาปลุกก็ดังก้องขึ้นเตียยกับแม่ก็ขยับตัวเปลี่ยนจากท่านนั่งสมาธิมาเป็นนั่งพับเพียบประนมมือกล่าวคําแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลแล้วคุณนายแผ่เมตตาเป็นหรือเปล่าอุทิศส่วนกุศลเป็นไหมท่านถือโอกาสทดสอบความรู้คุณนายดวงสุดา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 หล่อนยกตัวเองเป็นตัวอย่างสำหรับผมผมว่าจริงไม่ถึงครึ่งครับลุงพอพระโบเฮียวเอ่อยบ้างเพราะคนส่วนใหญ่เขาจะสวดมนต์เป็นแต่แปลไม่เป็นไม่รู้ว่าที่ตัวเองสวดนั้นมีความหมายว่าอย่างไรแม้แต่พระก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเช่นพระโบเฮียวเป็นต้นพระหนุ่มหารู้ไม่ว่าได้แบไตให้พระอุปชารู้เข้าแล้ว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 จะได้ไม่เสียชื่อท่านหันไปถามมิดาของคุณนายดงสุดาว่าโยมเห็นด้วยกับอัตมาไม่ว่าคนรู้จริงนั้นหายากส่วนคนรู้มากหาง่ายสมัยนี้คนรู้มากมีเยอะแต่ที่รู้จริงไม่ค่อยมีเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับ นอกจากนี้ยังมีอีปรเภทหนึ่งที่ญิ่งรู้มากก็ยิ่งเอาเปรียบคนอื่นมากสังคมก็เลยยุ่งเหยิงมากเพราะคนเอารัดเอาเปรียบกันมากเท่าแก่เสงแสดงความคิดเห็นนั่นสินะคนก็เลยพากันเป็นโรคประสาามากพวกจิตแพทย์ก็เลยมีงานทํามากท่านพระครูเสริมพระโบฮยลกำลังวิงเวียนกับคำว่ามาก ก็ยังชั่วขึ้นเมื่อคุณนายดวงสุดา พ, พูดโดยไม่มีมากหนูว่าจิตแพทย์เองก็เป็นโรคประสาทนะค้าหลวงพ่อหนูเห็นมาหลายคนแล้วท่าทางไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่คงเป็นเพราะต้องครุกคลีกับคนไข่มากเลยติดเป็นอย่างนั้นไม่ค้าหลวงพ่อคุณกิมง้อถามอุตส่ามีคำว่ามากอีกจนได้ มันก็เป็นไปได้นะโยมอาตมาสังเกตว่ายิ่งโลกเจริญมากขึ้นเท่าไรคนก็ยิ่งเป็นโรคประสาทมากขึ้นเท่านั้นคนที่เป็นโรคประสาทนี่ต้องให้มาเข้ากรรมฐานใช่ไหมค่ะหลวงพ่อถามอย่างคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้เพราะคนที่เป็นน้อย ก็จะเป็นมากส่วนคนที่เป็นมากก็จะบ้าชนิดกูไม่กลับเลยทีเดียวคนเป็นโรคประสาทห้ามเข้ากรรมฐานอย่างเด็ดขาดอันนี้มีพุทธพจน์รับรองไว้ชัดเจนถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนจะอยู่ในคำพีเล่มที่สิบสี่ที่พระพุทธองค์ตรัสกับเหล่าสาวกว่า ภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวอาณาปณสติแก่คนที่มีสติเลอะเลือนไร้สัมปชัญญะเคยมีตัวอย่างนยโยมที่วัดนี้นี่แหละดูเหมือนอาตมาจะเคยเล่าให้พระโบเฮียวฟังแล้วเรื่องที่อาจารย์มหาวิทยาลไลแกเป็นโรคประสาทพวกญาติ พามาเข้ากรรมฐานที่นี่ปฏิบัติสองวันแรกยังไม่มีอาการพอวันที่สามลุกขึ้นรำป่อเลยเข้าไปตามอัตมามาดูรำสวยซะด้วยสิใครๆห้ามก็ไม่หยุดฉะนั้นโยมจำไว้เลยว่าคนเป็นโรค ป, ประสาทอย่าพามาเข้ากรรมฐาน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 รบุ h ียวพูดอย่างเกรงใจเป็นที่สุดฉันน่ะไม่ขัดข้องหรอกแต่คนเล่าเขาจะเล่าต่อหรือเปล่าข้อนี้ฉันไม่รู้ต่อสิคะต้องเล่าต่อเอเมื่อตอกี้ถึงไหนแล้วคะแม่หล่อนหันไปถามมานดาตอนเตี๋ยกับแม่กล่าวคำอุทิศส่วนกุศล และแผ่เมตตาจะแล้วหลวงพ่อท่านให้หนูว่าให้ฟังคุณกิมง้อทวนความจำให้บุตรสาวเงินเพื่อไม่ให้เสียเวลาหนูว่าให้ฟังย่อๆนะคะคำแผ่เมตตาแบบสั้นมีว่าสเพสัตตาอเวราอพยาปัชชาอณีคาสุขีอตานังปริหะรันตุ คำอุทิศสลกุศลขึ้นต้นว่าอิทังเมมาตาปีตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรแล้วท่าแผ่เมตตาให้ตัวเองขึ้นต้นว่ายังไรท่านพระครูถามอีกหังสุขิโตโหมิค่ะตอบฉะฉานเก่งเก่ง อาตมมาเชื่อแล้วเอาละ่ะทีนี้ก็เล่าเรื่องปล้นต่อไปได้ค่ะพอตีกับแม่เสร็จทุระตำรวจก็สอบปากคําสอบหนูด้วยหนูก็เล่าไปตามที่เห็นตำรวจเขาบอกว่าเห็นรถกระบะขับสวนทางมาก็นึกเอกใจจึงถามว่าจะเอาของเหล่านี้ไปไหนคนร้ายมีพิรุษหลายอย่างและตอบคําถามไม่ตรงกันในที่สุดก็สารภาพว่า ล่นเข้ามาจึงถูกาพาไยังบ้านที่เกิดเหตุตอนนั้นเวลาสักเท่าไรเป็นกลางวันหรือกลางคืนเย็นเย็นครับเท่าแก่เสงียงตอบทุกวันตั้งแต่สี่โมงถึง6โมงเย็นผมกับคุณกิมงอจะปฏิบัติกรรมฐานกันโดยเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงดีจริงอาตมาขออนุโมทนา เห็นไหมอำนาจของบุญบารมีทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีถึงคราวเสียของก็ไม่ต้องเสียมีนะมีตัวอย่างแบบเดียวกันนี้สองผัวเมียเป็นชาวบ้านบางรัจจันมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้กลับไปก็ปฏิบัติทุกคืนคืนหนึ่งกำลังเดินจงกรมกันอยู่ ขโมยมันมาลักควายต้อนไปจนหมดคอกให้พักพวกมันคุมไปเหลือคนหนึ่งไว้ดูต้นทางเจ้าหมอนั่นก็บังเอิญมองขึ้นไปบนเรือนเห็นคนเดินไปมาอยู่สองคนปากก็ว่าขวาย่างเนาะสายย่างเนาะเดินกันมืดมืดอย่างนั้นแหละเจ้าขโมยมันก็ขำนึกว่า เจ้าของบ้านละเมอไม่รู้คำอีท่าไหนเลยถอยหลังไปเหยียบสุนัขที่กำลังหมอบหลับอยู่สุนัข ก, ก็ตื่นเห่าเสียงดังขึ้นชาวบ้านแถวนั้นก็เลยลุกมาดูจับขโมยได้แล้วก็พากันจุดคบใต้ไปตามควายมาใส่อคอกไว้อย่างเดิมผู้ใหญ่บ้านก็คุมตัวขโมยไว้ จับได้คนเดียวคือคนที่ดูต้นทางนอกนั้นวิ่งหนีไปได้กบหากันมานั่งรอจนสองผัวเมียนั่งสมาธิเสร็จจึงเล่าเรื่องให้ฟังเขาก็บอกเขารู้ตั้งแต่ตอนขโมยมันต้อนควายออกไปแล้วแต่เขารักษาสัจจะบอกจะเดินให้ได้หนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงก็ต้องได้ ควายมันจะหายก็ช่างนี่เขามานั่งเล่าให้อัตมาฟังตรงนี้ท่านชี้ที่ที่คุณนายดวงสุดานั่งมาทั้งผัวทั้งเมียเลยบ้านอยู่อำเภอบางระ จ, จันโน้นท่านพระครูเล่าเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันให้คนทั้งสามฟังพระโบเฮียวฟังเป็นรอบที่สองเพราะตอนสองผัวเมียมาเล่าท่านก็นั่งฟังอยู่ด้วย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 ไม่ถูกครับถูกค้างไว้เกือบสามเดือนผมไม่ยอมไปให้การอ้างว่าจำหน้าคนร้ายไม่ได้ความจริงผมจำได้ครับหลวงพ่อแต่ผมจำเป็นต้องพูดปดเพื่อจะได้ไม่ก่อเวรคือเจ้าคนที่มาปล้นนั่นเป็นลูกหนี้ผมเองมายืมเงินไปหลายหมื่นแล้วไม่ใช้ผมก็ขู่ว่าจะดาเนินคดีเขาคงแค้นเลยพาพวกมาปล้นผมและที่ใช้เอ็มสหยิงผม ก็คงอยากจะให้ตายเพื่อล้างหนี้เป็นบุญของผมที่มาเข้ากรรมฐานเสียก่อนไม่งั้นก็คงสิ้นชื่อไปแล้วผมก็ใช้สติพิจารณาว่าถ้าผมเอาเขาเข้าคุกวันหนึ่งเขาก็ต้องออกมาแก้แค้นผมก็จะเป็นการก่อเวรกันไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อระงับเวรเสี้ยข้างหนึ่งผมจึงจําใจโกหกว่าจาหน้าผู้ต้องหาไม่ได้ ตำรวจเขาขังไว้ไม่ถึงสามเดือนก็ปล่อยช่วงนั้นผมกับคุณกิมงอ้อก็อโอโหสิกรรมและแผ่เมตตาให้เขาทุกวันหลวงพ่อเชื่อไหมครับอา น, นิสง์ของเมตตานี่อัศจรรย์มากเมื่อวานนี้เองเขาพากันมาหาผมที่บ้านเอาทูบแผ่เทียนแผ่ใส่ผ่านมาขอขมาผมบอกว่าขอโทษและขอบคุณที่ผมไม่เอาเรื่องเขารู้ว่าผมจาเขาได้ขอขมาเสร็จ ก็บอกว่าจะผ่อนใช้หนี้คืนจะไม่โกงแม้แต่สตังแดงเดียวผมตื่นตันจนน้ำตาไหลคุณกิมเงาะเองก็ร้องไห้ผมอโหสิให้เขาและบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้สินมีก็ออกมาใช้ไม่มีผมก็ยกให้ขออย่างเดียวให้เขาหากินอย่างสุดจริตผมอยากมาหาหลวงพ่อมากจึงให้ลูกสาวพามาเพื่อกราบขอบคุณหลวงพ่อที่ให้วิชาที่วิเศษแก่ผม เขาก้มลงกราบท่านพระครูสามครั้งด้วยความซาบซึ้งและตื้นตันจนน้ำตาไหลเป็นทางตามร่องแก้มคุณกิมง้ะทำตามผู้เป็นสามีทว่ามิได้ร้องไห้